ลองทำกันเถอะหลังจาก็จะตั้งใจพูดออกผิดบอกถูกจนการกระทําพังแล้วออกไปทําเอาเองตองที่เราได้สิทธิ์สธยายพระสูตรที่เป็นคการสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกองเคลียร์ให้พวกเรา ได้บรรลุธรรมองศาเนี่ก็ขอเคียให้บรรลุธรรมตั้งธงชัยของพระรัตนาตรยคือพระลัหารทั้งหลายโอตทเจ้าพระทองพระสงฆ์เป็นธงชัยสบัติอยู่ข้างหน้าเราอยู่เราจะต้องไปให้ถึงทำให้เป็นทำให้ได้ มันอยู่ที่ตัวเรานี่เองการปฏิบัติธรรมเป็นเป็นกรอเป็นกรรมทำได้ทุกชีวิตแค่ความทุกความโศกความผิดความถูกเกิดขึ้นในคราวเดียวกันไม่นคนเราที่ละทางคนละเดือนละปีบ้านสิ่งอื่นวัตถุอื่น เราปลกข้าวตรองครึ่งปีข้อนี้จะได้เก็บได้เกี่ยวได้บากได้ผลแต่ปฏิบัติธรรมเนยทันทีเป็นปัิจจตังเช่นเราบารสร้างัตติที่ทำให้เกิดกุณธรรมขึ้นมาที่เป็นทางไปสู่มรรคส่ผลเยียบได้เดี๋ยวนี้เดินได้เดี๋ยวนี้ มีอยู่ที่กาที่ใจเรานี้ยอมหลงมาพร้อมกันกับความไม่หลงยอมทุกมาพร้อมกันกับความไม่ทุกอกุศลและธรรมมาพร้อมกันกับกุศลสังขารเกิดมาพร้อมกักบวิสังขารมันมีทุกมันจึงมีมรรคผลนิพพานนีผิดมันจึงมีถูก เราบะทำโดยสมผัตดูอย่าทอดอย่าทิ้งอย่าปะเห็งคนจะทำตามจิตใจโศรหมองมีโรภโก๋หลงเป็นต้นเกิดขึ้นในชีวิตเรามันต้องเกิดความสะอาดแลนความสุขปกแม้าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเสื้อผ้าสะอาดมันมาจากความสุขปกมันจิกสะอาด ชีวิตบริสุทธ์มจากความสปกปรกิึง ท, ทำให้เศร้าหมองโลกโกหลงเป็นต้นแล้วก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เราจะมาทำด้วยกายวาจาใจของเราคงไม่มากก็มีงงเท่านี้กายวาจาจิตใจ กิทวารของสิ่งที่ผิดที่ถูกควบคุมได้มีสติคุมได้ทั้งหมดไป่อวให้กายทวารวม่กิจทวารมโนทวารเป็นบาปโขฌเท้าหมองคุ่มได้มีสติรู้สึกตัวหัดเอา มีสติให้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนมันมีเงินมีทองก็ใช้จ่ายถ้าไม่มีเงินมีทองก็ไม่ได้มีเชื่อไม่พ้ามันมีข้าวกินไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะไม่ต้องยอมจนยอมจนต่ไม่เราจะร่มรวย สวมร่ลำรวยทํางมาโลจะเป็นคนจนได้ถ้าไม่ทําไม่ถูกต้องยังไม่จนแต่ทำตนทำตัวเป็นคนรวยก็ต้องยากจนแน่นอนยังไม่รวยแต่ตัวเป็นคนจนแต่ร่ำรวยแน่นอนนอยู่ที่การกระทําการกระยนเหมือนเพียรในการหาทรัพยปลายโน้ปลายใดเขาเช่นเดียวกัน ประธานฉบับทาทั้งความด้วยความขยันหมั่นเพียรต่อปันงานอาชีพโดยจักรักษารือจักใช้ใ้ผู้เพื่อผงเพื่อมีพ่อบ้านแม่เลือนเป็นคนมีสินจะเป็นแลกข้ามมาคาข้าบดีมั่งมีแน่นอน ชาภายในก็มีอุาทานรสบตความเพียรอาวนาขยันลูปในวัตถุทิ่งที่สงเหมือนกับประกอบการนาราชีพต้องรอผ้าหลอฝนหลองสถานที่ลงทุนส่วนชาภายในนี่ไม่เป็นอย่างนั้น พร้อมแล้วมีลูปมีนามอามรทมลองดูมาประกอบลองดูมาภาวานาลองดูถ้าเกิดกลวมลูกขึ้นมาก็อย่างลู้ลองดูจากกรรมฐานวิชากรรมฐานนี่ส4บจังบะจังหวะหนึ่งวินาทีหนึ่ง การใจยิ่งพวกเราเป็นนักขวดอยู่วับปาอารามมาทำอาชีพเรื่งนี้ศิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราให้ชีวิตในส่วนี้มันงอกงามขึ้นมาชีวิตผมอาจา ร, รั์ไม่ใช่เรื่องด้วยข้าวปลาอาหารเหมือนชีวิตของลูกของกายผมะาจันย์ต้องเลี้ยงด้วย สิกขาและธรรมสิกขาก็คือสศีนสัมมาทิปัญญารวมแล้วคือศีลธรรมสิกขาและธรรมที่อย่างชีวิตของเราเป็นภพวมนจนกรณีสุด จึงมีอาชีพเรื่องนี้เอาให้เต็มที่การบรรลุธรรมบรรลุทางกิจใจไม่เช่ร่างกายเรื่องที่เกิดทางกายให้บันลุทงใจเรื่องที่เกิดทางใจก็ต้องให้บรรลุงกายอย่าปล่อยทิ้งสมควรในของที่เห็น ควรแต่ของที่ไม่ควรทนทั้งกายทั้งใจแล้วเอื้อมเห็นเห็ น, เ ห, น, เ, หนเห็นสิ่งที่ไม่ควรว่าควรเห็นสิ่งที่ไม่ควรว่าสมควรเห็นสิ่งที่ไม่สมควรว่าควรทําควรคิดแล้วก็เป็นทั้งสองทางเกิดาบาปกุจลขึ้นมาได้ เห็นของที่ควรสำคัญว่าควรเห็นของที่ไม่ควรสำคัญว่าไม่ควรถูกต้องเช่นนั้นเกิดกับกายกับใจเราบางทีมีอนุสัยนอนเนืองอยู่ในจิตไม่รู้จักสละออกยังเอามาคิดเอามาพ ง, งาแตง่ง ยังให้มีความคิดแต่เรื่องได้มันเป็นเรื่องของจิตเอาความสุขเอาความทุกข์เอาอาการต่างๆที่มันเกิดมาเอามาคิดอันนั้นไม่สมควรในของที่ไม่ควรถือว่าถูกต้องเปลี่ยนทุกครั้งทุกคราวถ้าเราไม่เปลี่ยนอย่างนี้ก็ต้องอบับดับทําให้เศร้าหมองได้งอหมองได้ การต้องเอาบัตต้องอย่างนี้มากที่สุดเป็นโทษบางทีถึงปรละชัยปราะชิกพ่ายแพ้อารมณ์ตัวเองแต่ที่ช น, นะไม่เป็นใครแพ้ตัวเองสำคัญที่สุดแพ้คนอื่นนั้นไม่เป็นไรการแพ้ตัวเองนี่ที่ว่าหวงกันมรรคปนิาพานเรียกปาละชัย ไม่ควรคิดก็ไปคิดไม่ควรทำก็ไปทำไม่ควรพูดก็ไปพูดนานเท่าไหรไม่รู้ขี่รอบพีหนแต่เรามาบรรลุธรรมกันตรงนี้เถิจนผมบังคูเขาไม่ใช่อยู่ในบทสร้างจังหวะไม่ใช่อยู่ในบทเรอยงกม ถ้าเราโลจักจุดอ่อนจุดแข็งของชีวิตเราจุดใดที่มันอ่อนสร้างความเชื่อแข็งขึ้นมาได้มันจะเห็นเป็นละเอียดไปจากหยาบไปถึงละเอียดหารความโลกความโกรธความหลงเป็นเปิองตุน้น พอจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยวันละเอียดกว่าความที่มาเกิดความโลภความหลงนั้นมันมีอะไรมาก่อนเนื่อแต่ความคิดการเป็นความโกรธความโลภความหลงได้อาการต่างๆอนิสัยนิสัยต่างๆซึ่งมหัดนิสัยใหม่นิสัยแบบพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ข อ, อนิ้อใจใหม่ขึ้นต่อพระรัตรตยัยพระอริเจ้าทั้งหลายไม่คิดเหมือนเราสิ่งที่เราทุกข์พระอริเจ้าไม่ทุกข์สิ่งที่เราหลงพระอริเจ้าไม่หลงสิ่งที่เราโกรธพระอริเจ้าไม่โกรธ เหมือนพระหรหัสรูปหนึ่งสมัยข้าพรธเจ้าอยู่ในชมชนที่ดูไลยลัทิหลุนแรงเมื่อมาบวชมาปฏิบัติธรรมได้เป็นพระรหัรบรรลุธรรมแล้วหลาพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมบ้านพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเจอจะไปทำไหม ดัง น, นมันรุนแรงถ้าเขาด่าคนกูจะทำอย่างไรประหารลกน้านก่อนตอบพ่อดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาด่าดีกว่าเขามาฆ่ า, ข า, ข า, าถ้าเขาฆ่าเราทำไงานถ้าเขาฆ่าไม่ตายก็ดีกว่าการตายเก็บไม่เป็นไรถ้ามันตายแล้วทำไงถ้าถึงฆ่าตาย ก็ดีกว่าตัวเองฆ่าตัวเองดีกว่าตัวเองฆ่าตัวเองนี่มองแบบนี้มองแบบไม่จนสักอย่างเดียวนี่ละทินี่ฤลธน้ำใจของพระอรหัลห่จบย่ำซายให้แค่ให้แค่ขเขาจบแย่งขวาอีกยังดีถ้าเขายังพยายามที่ทำลายเรา ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจนี้แม้เราไปรับใช้วอบสุขกอบทุกข์แน่นอนําได้เดี๋ยวนี้ได้กุลก็ใจดีเดี๋ยวนี้ได้สวรรค์ก็มีความสุขเดี๋ยวนี้จะได้หลิปานก็ใจเยนเย็นเดี๋ยวนี้ มาจะดฐานถ้าสุขก็ยังมีทุกข์อยู่เป็นสวรรค์ยังไม่แน่นอนไม่มาจะดฐานเรามีพร้อมแล้วเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติทำได้เองเดี๋ยวนี้เอง มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยเวลาเรามีสติเนี่ยมันมีชัยภูมิที่มองรอบได้อะไเกิดจากกายก็รู้อะไรเกิดจากจิตใจก็รู้กายทววานมัคคีทววานมโนทวานสติเป็นใหญ่เรียกว่าสติทววารอินทรี อินทร์ีตัวใหญ่สติอินทร์ใหญ่กว่ากายใหญ่กว่าวาจาใหญ่กว่าจิตใจถ้าเราปึกถ้าเราไม่ฝึกก็กายวาจาใจใหญ่กว่านับใช้มันโดยท่านบรรลุธรรมน่อย่าไปมองข้าม สิงที่มาพร้อมกันอย่าจนเป็นผู้ไม่จนในความหลงไม่จนในความทุกข์ไม่จนในความฉุกไม่จนแต่อะไรที่เกิดกับกายกับใจไม่จนสักอย่างถ้ามีสติดีเป็นติตอินทรีย์ผู้มีติตเป็นหน้าลบะอาาหารผู้มีติเป็นหน้าลอบ ไม่เผอเหมือนทมวิในเป็นวิในเป็นทำวิในวิในนำไปสู่ความพิเศษการมีชีวิตถึงจุดหมปลายทางปฏิบัติตามทำวิในเป็นที่ชื่นทุก ถ้ผู้ปฏิบัติตามทำไว้ไหนปฏิทินทุกแล้วก็อยู่ตามทำไว้ไหนไปกปลอดภยัยไม่มีภยัยดิ่งในคุ้มครองเราทำคุ้มครองเราไม่ตกไปในที่ชั้วดังการและจิตใจอยู่ในฐานะแบบไหนไม่เอามาเป็นสุขไม่ามาเป็นทุกข์นี่คือจุดหมายปลายทางของชีวิต ชีวิตของเราเพื่อการนี่โดยตรงไม่ใช่เพื่อไปรับใช้อย่างอื่นเอากายไปใช้อะไรเอาใจไปใช่เรื่องอะไรไมีทำรักษากายมีทำรักษากจิตใจไหมถ้าเราไม่สร้างไม่ประกอบขึ้นมาจะไปขอเอาจะไปซื้อเอามันไปได้จริงๆต้องประกอบปอ ถ้าัหลงตัวลู่เองตัวหลงเองตัวต้องลู่เองเมื่อทุกข์เองก็ต้องไม่ทุกข์เองมันบอกอยู่บอกพร้อมกันบอกผิดบอกถูกสัมผัส ด, ดูแต่ถ้าสัมผัสกับสติความรู้สึกเป็นสติปัฏฐานตอบได้ทุกเรื่องที่มันเกิดกับการกับใจเรานี่ ไม่จนแน่นอนความหลงไม่ถูกต้องจริงๆความไม่หลงถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องมาทำไมจะเลือกมาได้เราเห็นอยู่ชีวิตส่วนตัวในเรื่องนี้มากทีเดียวไม่มีอะไรบังบังคับต่างตัดทิ้งใจ นแน่ะแม่นยำชัดเจนยิ้มได้เมื่อภัยมีจริงจอยู่เกิดกับเรานี่เพียงแต่อารมณ์อาการที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นที่เราทำกับเราเรยังชิบโ้ยส่วนที่มันเกิดกับเราจริงๆคือเกิดเจ็บเจ็บตายทำยังไง ไม่มีใครมาทำให้เราตายตอนจะตายเราเองตายคนเดียวเจ็บคนเดียวจะทำอย่างไรเมื่อเราไม่หัดมันจะถึงที่ได้ได้เลย ไ, ไปข้องไปติดอะไรอยู่เก็บก็เจ็บคนเดียวไม่มีใครมาเจ็บช่วยเราตารช่วยเราได้ตายก็ตายคนเดียวเคื่อนไหยใจมาได้ใครจะมาหายใจใแทนเรา ต้องเฝึกไว้อย่าเอาเรื่องไหนนี่มาเป็นทุกข์กเป็นทุกข์อย่าเอามงต่อรองนี่อาศัยอะไรยืดเหล่านี้อาศัยอะไรอาศัยทรัพย์สเงินทองหรืออาศัยบุตรปัญญาสามีญาติพี่น้องรือเราก็เห็นกันอยู่ สถาบันบาททั้งหลายที่หลินที่ยนเลือกถวนใั้นางเปลี่ยนกันใช่ตามยุคตามสมัยเห็นกันอยู่ลตาก็เห็นลูกตาเองนาสับสาวเองตั้งแต่ก่าเป็นป่าบ้านเรือนก็ไม่มีสร้างขึ้นมาเองเงือไหลมาเองเดี๋ยวนี้เป็นของใคร แม่ตายแล้วไม่กล้าไปบ้านตัวเองเป็นหลานเขยเหรอนไปแล้วหลานเขยก็ไม่ใช่ใครเป็นคนอื่นไม่ใช่หลานของเราจริงๆคนลราก้อนเลือดกันมันก็ไกลกัน อ, อกไปเรื่อยๆไปอาจจะสู้พวกเรานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปขึ้นไปบ้านกวหลานเขยเขาจะคิดยังไงเอาตาองนี้มาอะไร ทำไมมาวุ่นไหม <laughs> เอาชิดยังไงนั่นก็อยู่ที่นี่ขอบคุณทุกท่านทุกชีวิตหงงข้าวให้กินเอาข้าวไปส่งถึงสาล า, ลา น, นุบาลนี้ขอบคุณที่ดูแลรักษาไล้กินข้าว สุกน้ำแกงของพวกเราพวกเราเป็นใจคิดดีดีร่วมกันที่นึ่มานั่งสวดมนต์ไหว้พระพี่น้องของเราไม่เคย ม, มานั่งแบบนี้น้องก็มาเห็นมานั่งด้วยกันพี่ก็มาเห็นมานั่งด้วยกันลูกหลานก็มาเห็นมานั่งด้วยกันเหมือนพวกเราเนี่จะหาที่ไหนล้วพวกเราเนี่ยเป็นญาติอย่างยิ่งน่าจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้มีสิทธิที่ทำความดีได้มากถึงสุดไม่ต้องตงเกอะไร ของทุกอย่างเป็นสังฆของสองเจ้าไม่ใช่ของส่วนตัวของสองเจ้าสี่เจ้าห้าเจ้าร้อยเจ้าพันเจ้าให้มาทุกสรรทิศมาที่นี่ตาไว้ไหนก็ตรัสไว้ว่าเพื่อนผู้บกพริธรรมจงมาสู่อาวาสของเราผู้จยากไ่มาขอให้มา ทำมาแล้วอยู่เป็นสุขเป็นสุขนี่คือธรรมาวินยัยหลอหลอมพวกเราให้คิดให้ทำให้แสดงออกถึงภาพอย่างดีถ้าพวกเราไม่บรรลุธรรมลใครจะบรรลุธรรมได้ลรอเล่เากานได้หน่อยเดี๋ยวนี้ใครทำอะไรอยู่เพื่อเรากาลังหูข้าวเาวผืนจ่อไฟหั่นผัด อยู่ชาวบ้านก็นเรียบลุกขึ้นมาจะไม่ทันบาด ท, ทันชับาดเอาคิดอะไรเราคิดยัางไงไปโกรธใครไปอิจฉาใครไปทำให้หลบมั่วหมองเรื่องไดอะไรตัวเองนะเห็นคุณค่าของเกิด่ว้เรามันสนับสนุนเราเหมือนกับเชียร์เราจริงๆนะเพื่อนเราที่อยู่ด้วยกันนี่ เห็นห้ากันยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสมานาบูรดับเบิง้งเป็นอะไรเป็นคู่ศัตรูคู่อริคาไม่มีเลยน่าจะบอกเลยยินดีช่วยเหลือแล้วก็พูดอยู่แล้วเมื่อเธอจะไม่ทษไปที่งกันเจ็บไข้ได้เปวยดูแลกันยินอะไรก็เหมือนกันใช่อะไรก็เหมือนกันแบ่งปันกันจริงๆเป็นสังฆะสุทธิฏฐังวัตตาเมธาลังสุทธิ สวายเจ้าพระสงฆ์แกสงฆ์ขอให้สงฆ์จงรับไม่ใช่ขอให้บุคคลปุกคลิบบุคคลไม่มีประการฉิงสิทธิของพวกเราสิทธิเพื่อบรรลุ ธ, ธรรมนะหนไม่ใช่สิทธิเพื่อเห็นแก่ปากแก่ท้องเพื่อบรรลุธรรมกินเพื่อบรรลุธรรมใช้จ่ายเพื่อบรรลุธรรมใช้ชีวิตเพื่อบรรลุธรรม เดินจงกลงเพื่อบรรลุธรรมนั่งก็งกงเพื่อบรรลุธรรมคิดจิ่งใดเพื่อบรรลุธรรมพูดจิ่งใดเพื่อบรรลุธรรมการทำริงได้ในชีวิตของเราเพื่อบรรลุธรรมจริงๆนะอะไรก็รู้อะไรก็รู้อะไรก็รู้นี่จู่กัศที่ไหนละ่ะมันเป็นมนุษย์สมบัติสมรัตสมบัตินีิพานสมบัติตัวเราก็พร้อมแล้ว บางชีวิตก็ยังหนุม่มยังน้อยยังเป็นสาวเป็นหนุม่มเอาหนุ่มไปใช่ให้มันเกิดกานตัวนี้อเอาหนุ่มไปใช้อย่างอื่นบางชีวิตเอาความหนุ่มไปใช้อย่างอื่นจนสุดโสมตายไปผมเจอเท่ายอบทุเลักหรืหล้าก เหมือนตาบอดข้างภาขงคขวางกองหงน่ะเหมือนการไต่ไผ่ลำคารคํามายินยิยาแสนตุลักทุเลแหล่ถ้าประยากตุรักทุ เ, เลา ม, าเมากต้องข้ามภาคแต่เ น, นเดินก่อนตนแก่ข้ามภาคฝั่งโงน่นฝั่งไม่ฝั่งหลงข้ามไปฝังไม่หลงฝั่งทุกข้ามไปฝั่งไม่ทุกฝังที่มันโกรธข้ามไปฝังที่มันไม่โกรธ ฝังที่บัลปุงข้ามไปฝังไม่ปุง <c oughs> ข้ามพา ก, ใ ต, าากใต้ขวมหนุ่มข้ามภากใต้กว่าคนแก่ขนแก่มันทุรักทุเล่สอนให้ลูกก็สอนยากจับมือให้ลูกก็จับไมล่ลูบอกบอกมือไปบีบมืออยู่ลูกึกตัวไหม ย, ยังพูดเล่งเงินเฉยก็มันเปื้อนมาเจอเจอ เบื่นโดยรูปลถกิ่นเฉียงอลรมต่างๆเจป อ, ปอปกคอปอกปปอกบัดขาแน่นเราจะแก้บัดนี้เรามาเป็นอิสระขอให้เป็นอิสร ะ, ระการใช้ชีวิตที่นี่อย่าไปเบียดเบียนกันเป็นที่ปลดปล่อยชีวิตทุกสิ่งไม่แต่ว่ามดุดดหมดแดงอะไรต่าง ๆ, ๆไม่เบียดเบียนกัน ให้ทเลาว่ากันไปโกรธไปเคืองขายไม่มีประโยชน์เลยเป็นอิจฉ์ปลดปล่อยกันพวกเราอย่าทำอะไรที่มันทำให้การเดือดโลนบางทีเมื่อผู้หนึ่งทาความเพียรอยู่ก็อย่าไอยังแรงอย่าเคลื่อนไว้รังแรงทำไมเพื่อนหลงตัว เาจึงสนอกถนูนดีไหมอะไรบนเรื่องอะไรหลวงพ่อบนเรื่องนี่บนเรื่องนี่ไม่ใช่ไปดูประดาคครนะไม่มีเดืองที่ละมาทีจัง จะชั่วจะเร็วขนาดไหนก็ามาที่นี่ว่าจากจัดเป็นคนดีให้โอกาสเต็มที่ถ้า ต, ต้องการที่จะบัต ร, รู้ธรรมนะขอบคูณจากนี้บัต ร, รูุธรรมนะที่นี่นะอย่างอื่นไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่มันยากจนเราโสงไม่มีเงินชักแปกชักบาทไม่มีติรกับลาบ เดินจกรมจนผอมจนโซก็บวดหล่อแม่ชีก็เหมือนกันเมื่อนังไปฉันข้าวที่วัดโพขาวทองพระวัดโพขาวทองเน่ยสนุกสบายอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่เหมือนพระวัดป่าสุโกโตภาพวัดชูขาทองเนี่ยอดอยากพระสุโกโตอดอยาก เพร่กับจองแบบนี้เพมกจงวัดพว ก, ก็ทออจมง บ, บัดจองเขาจังเออจ้าออดอากอไรเด้อบอกอดจนี่ยากกว่านี้อาหารที่นี่ดูจริแล้วสองสามลูกยื้อไม่ถึงปลานงที่นี่ต้องมีบาทเดียวแค่ไดน้อย พระวัดภูก็ทองอยู่สุขสบายอาหารไม่อดประหยากกวนท้วนสมบูรณ์พระวัดป่าสุขตัวไม่แต่ผู้ผมผมวันนี้ก็พูดเล่นเล่นไปให้มันเบาคิวตรงเราเนี่ยเบ า, บาหยุดเกณนปล่อยวาง ปล่อยวางทุกอย่างมหมนชะลาวัดภกทองหนักม า, ายี่สิบสามสิบปีมุงลังคากับเบื้องมาเปลี่ยนลังคาใหม่จังกฤีเหลเ็กแผ่นหนึ่งสิบตารางเมตรเท่ากับกระเบื้องหนึ่งตารางเมตรนันหนัก เบื้องหนึ่งตารางเมตรเท่ากับแผ่นเหล็กนี่สิบตารางเมตรน้าหนักเท่ากันนัน ก, ก็ต้องเบาแน่นอนเห็นจะลาเบารู้สึกว่ามันเบาจริงๆเบาวงผู้บนรู้ธรรก็บาวงเราเบาบาเบไม่หนักอะไร เหมือนกับว่าสุนิตากาลหุตาเบากายจิตลหุตาเบาจิตเบาใจว่างใจไม่เป็นอะไรกับอะไรที่จุดหมงงายปลายทาคือไม่เป็นอะไรกับอะไรสูงสุดมงกุฎ ธ, ธรรมในชีวิตของเรานี่สิ่งที่มาเกิดกับกายกับใจเห็นหมด ไม่เป็นกัมืนทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทำได้เดี๋ยวนี้อ่าไปยินบอลอ่กากราบพร้อมกัน